บทสรุปแม่เจ้าทั้งหลายธรรมคือปาราชิกแปดสิกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วแต่ละข้อแต่ละข้อซึ่งภิกษุณีต้องเข้าแล้วย่อมอยู่ร่วมกับภิกษุณีทั้งหลายไม่ได้เป็นปาราชิกหาสังวาสไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนบวชข้าพเจ้าขอถามแม่เจ้าทั้งหลายในธรรมคือปาราชิกแปดสิกขาบทนั้นว่าแม่เจ้าทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือ